การฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ความจริงเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนเราก็ไปเข้าห้องเรียนเวลาที่อยู่ในห้องเรียน เราก็จะไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นเราจะตั้งใจฟังคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์จะไม่พูดกันจะไม่เล่นกันจะไม่ทำอะไรกันจะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆจะคิดอยู่กับเรื่องที่ครูบาอาจารย์ กำลังกำลังบอกกำลังเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพราะถ้าไปเล่นกันไปทำอะไรกันไปพูดคุยกันก็จะไม่ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ ก็จะไม่ได้รับความรู้ที่ครูบาอาจารย์จะมอบให้เวลากลับบ้านไปทําการบ้านก็จะทําไม่ได้เวลาสอบก็จะทําข้อสอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้อยู่ในตัวนั่นเองแต่ถ้าตั้งใจฟัง ไม่พูดไม่คุยกันไม่ทําอะไรไม่เล่นกันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับคําสอนของครูบาอาจารย์ความรู้ที่ครูบาอาจารย์มอบให้ก็จะฝังเข้าไปในใจจะทําให้เวลาไปทําการบ้านก็จะทําการบ้านได้เวลาสอบก็จะทําข้อสอบได้ ชันใดการฟังเทศฟังธรรมก็ฉันนั้นเป็นการมาเรียนรู้วิชาธรรมะที่เป็นความรู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่เรียกว่าทรงตัดสรู้ก็คือทรงค้นพบความจริงที่พวกเราคนธรรมดาสามัญปุถุชน ไม่รู้กัน เ, ออเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาสั่งสอนเป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้กันแต่เราจะรู้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจฟังกันออการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองเออร่างกายก็ต้องนั่งเฉ ย, เฉย วาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับเสียงธรรมคิดอยู่กับเรื่องธรรมะที่เข้ามาสักเข้ามาทางหูและสัมผัสรับรู้ด้วยใจนี่คือวิธีการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา อา น, นิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมมีอยู่ห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสาม จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมมีความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบเรียกว่าศีลใจที่สงบเรียกว่าสมาธิการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องมีศีลสมาธิเป็นที่รองรับเป็นภาชนะ ที่จะรองรับธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิจะไม่สามารถรับธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้นี่คือเหตุผลทาไมเวลาฟังเทศฟังธรรมเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สมบเพราะเรากำลัง รับความรู้ของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจนั่นเองอา น, นิสงส์หลือสิ่งที่เราจะได้รับข้อที่หนึ่งคือเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเป็นการฟังธรรมครั้งแรกเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมเช่นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของอบายเรื่องของนิพพานเรื่องของการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่ไหนนอกจากจากธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าเราไปศึกษาไปเรียนอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆจะไม่มีการสอนวิชาทางธรรมจะมีแต่สอนวิชาทางโลกวิชาที่เกี่ยวกับโลกนี้เช่นวิชาภูมิศาสต์ประวัติศาสต์กณรนิตศาสต์วิทยาศาสต์วิชาความรู้เหล่านี้ เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางจิตใจเรื่องของทางธรรมนี้เราต้องมาศึกษาจากพระพุทธศาสนาเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องของจิตใจและเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนว่าชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจร่างกายเป็นส่วนที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่จิตใจนี้เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราต้องใช้ตาไหนคือตาที่ถึงจะเห็นจิตใจของเราได้การที่จะเห็นจิตใจของเราได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรม คือเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางร่างกายชั่วคราวแล้วตอนนั้นใจก็จะเห็นใจของตนเองถ้าไม่ได้นั่งสมาธินี้ร่างกายกับใจจะอยู่ติดกันจึงทำให้คิดว่าเป็นส่วนเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาทางโลกทางวิทยาศาสตร์ทางทางเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทางแพทยาศาสตร์เขาจะคิดว่าจิตใจนั้นอยู่ในสมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ทางศาสนานี้ได้ศึกษาค้นพบว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกาย จิตใจนี้เป็นคนละส่วนกับร่างกายจิตใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายตอนที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาในคั น, เ, นเวลาที่ทาธาตุของพ่อกับาธาตุของแม่มารวมกันก็จะเกิดการก่อร่างสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างทารกขึ้นมาตอนนั้นก็จะมีจิตใจที่ อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณเป็นผู้ที่มาเกาะร่างกายที่กำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วอยู่กับร่างกายนี้จนถึงเวลาคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ใช้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็จิตใจนี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ มีทั้งการทำบุญหรือการทำบาปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่โอกาสบางเหตุการณ์ก็สั่งให้ทำบุญบางเหตุการณ์ก็สั่งให้ทำบาปแล้วผลของบุญของบาปนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจนั้นจิตใจเป็นผู้ทำบุญทาบาปผ่านทางร่างกาย ถ้าจิตใจก็จะเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปรับตั้งแต่ขณะที่ทำบุญและทำบาปก็คือเวลาทำบุญก็จะเกิดความสุขใจเอ่มใจขึ้นมาเวลาทำบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาและ บุญและบาปที่ทำไว้ก็จะสะสมอยู่ในจิตใจเหมือนกับเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารหรือนี่สินที่เราไปกู้น่ยืมมาจากธนาคารถ้าทำบุญก็เหมือนกับเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารถ้าทำบาปก็เหมือนกับไปกู้นี่ยืมสินจากธนาคารมา ก็จะสมทบไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ใจทําบุญหรือทําบาปแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ถึงแก่การอาวสานถึงแก่ความตายใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็จะถูกผลบุญผลบาปที่ได้สะสมไว้เป็นผู้ สร้างหรือเป็นผู้ส่งให้ใจนั่นไปอยู่เป็นดวงวิญญาณแบบไหนถ้าเป็นบุญที่มีกำลังมากกว่าบาปถ้าทำบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งใจให้อยู่ทําใจให้อยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขเราเรียกว่าสวรรค์หรือ เทวดานี้เองหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าขึ้นอยู่กับบุญต่างๆที่ทำไว้ว่ามีมากมีน้อยเพียงไรและมีบุญแบบไหนชนิดไหนบุญมีสามชนิดที่จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขคือบุญที่เกิดจากการ รักษาศีลทำทานอันนี้จะเป็นเกิดบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปบุญที่เกิดจากการทำบุญให้ทานจะทำให้ดวงวิญญาณมีความสุขระดับของเทวดาถ้าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั่งสมาธิก็จะทำให้ดวงวิญญาณ น, นั้นเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขของระดับพรหม ถ้าดวงวิญญาณนั้นได้ทาบุญด้วยการทำทานรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นดวงวิญญาณของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นของพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีและพะระอรหันต์ช่วงที่ร่างกายตายไปจิตใจของผู้ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลได้ก็จะเป็นดวงวิญญาณของเทวดาถ้านั่งสมาธิได้ก็จะเป็นดวงวิญญาณของพรหมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นดวงวิญญาณของพระอริยบุคคลขั้นต่าง ตามกําลังของดวงตาเห็นธรรมว่าเห็นมากเห็นน้อยดวงตาเห็นธรรมนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีขั้นของพระ อ, อ, อนาคามีและขั้นของพราะอารหันต์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ทำแต่บุญไม่ทำบาป รักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปดได้ทำบุญทำทานตามกำลังมีเงินทองมากน้อยก็เอาไปทำบุญแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปกินไปเล่นกับเห็นว่าการกินการเที่ยวการเล่นนั้นเป็นการเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ได้ความสุขเพลิดเพลินชั่วขณะที่ไปกินไปเที่ยวไปเล่นเท่านั้น แต่พอเวลาผ่านไปจะไม่มีอะไรติดอยู่กับจิตใจแต่ถ้าเอาเงินทองไปทำบุญทำทานจะมีบุญติดอยู่กับใจจะมีความสุขใจอิ่มใจที่จะคุ้มครองรักษาใจให้เป็นจะเป็นดวงวิญญาณของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าส่วนผู้ที่ ไม่ไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลเอชอบทําแต่บาปเพราะชอบเสพอบายามุกชอบดื่มสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวก็จะไม่มีเงินทองมาใช้กับการทําบุญทําทานเพราะเงินทองจะหมดไปกับ ก, บการดื่มสุราหมดไปกับการ เล่นการพนันหมดการกับการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานมากอาจจะทำบ้างเพียงบางโอกาสเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญทางาศาสนาแต่ส่วนใหญ่อยากจะเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันมากกว่าแล้วถ้าเที่ยวกัน เส้นกันมากๆเงินทองก็อาจจะไม่พอใช้ได้พอไม่เงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินทองมาโดยวิธีทําบาปเพราะไม่สามารถหาด้วยได้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปแต่ความอยากที่จะใช้เงินทองกับอบา ย, ยมุขมันมีกําลังมากมันบังคับให้ต้องไปทําบาปกันอ นี่คือสาเหตุทำไมคนที่คนที่ทำบาปกันทำไมจึงไม่สามารถรักษาศีลกันได้ก็เพราะว่าติดพวกอบายมุคนี้เองดังนั้นถ้าอยากจะรักษาศีลห้จะไม่ทำบาปต้องเลิกการเสพอบายมุกอย่าดื่มสุราอย่าเมาอย่าเล่นการพนัน อย่าเที่ยวกลางคืนอย่าเที่ยวกลางวันอย่าเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการใช้เงินใช้ทองไปเมื่อใช้มากๆเที่ยวมากๆ ม, ม, ม, มันจะติดติดแล้วจะต้องเที่ยวต้องกินต้องเดิมสุราต้องเล่นการพนันอยู่เรื่อยๆก็จะต้องสูญเสียเงินทองไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็จะไม่มีเงินทองมาสนับสนุนให้ใช้ให้เที่ยวให้กินให้ดื่มก็จะต้องไปหาเงินทองมาโดยวิธีไม่ถูกต้องคือไปทำบาปทำกรรมเวลาทำบาปใจก็อาจจะดีใจตอนต้นเช่นไปขโมยเงินเวลาได้เงินมาก็ดีใจแต่ดีใจเดียวเดียว เดี๋ยวก็ต้องมาหวาดกลัวกับผลของการทาบาปกลัวว่าจะถูกจับได้และพอถูกจับได้ก็จะต้องถูกจับไปลงโทษต่อแทนที่จะมีความสุขก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปรับโทษต่างๆและผลของบาปที่ทำไว้ในแต่ละครั้งมันก็จะสะสมไว้ในใจ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ามบีบาปสะสมไว้มากกับบุญถ้าทำบุญเพียงวันปีละสองสามครั้งเช่นทำบุญในวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันสาคัญทางาศาสนาปีหนึ่งไม่กี่ครั้งแต่ทำบาปแทบทุกวัน บาปก็จะมีมากกว่าบุญนะเวลาตายไปบาปก็จะเป็นผู้ส่งให้จิตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกขนะ์ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยนะเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะนี่คือเรียกว่าดวงวิญญาณของอบายนะ ที่เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปแล่ถ้าจะได้ร่างกายก็ยังจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะต้องได้ร่างกายของเดรัจฉานก่อนพวกที่ทำบาปนี้เวลามาเกิดมีร่างกายจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้ายังมีบาปติดข้างอยู่ในใจจะต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆก่อน เป็นสุนัขเป็นแมวเป็นวัวเป็นควายเป็นนกเป็นปลาเป็นสิงสาราสัตว์ชนิดต่างๆอันนี้เป็นอิทธิผลของบาปที่ได้ทาไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต่อเมื่อบาปที่ได้ทาไว้นั้นมันหมดลงไปเดืออยู่เท่ากับบุญถ้าบาปกับบุญนี้มีกำลังเท่ากัน บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปอาบายะได้บุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปสวรรค์ได้ตอนนั้นใจก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำตามนิสัยเดิมถ้าเคยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อ ถ้าทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต่อเมื่อมีคนสั่งคนสอนเช่นถ้ามาเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญถึงแม้ว่าอาดีตต่ชาติเคยชอบทำบาปแต่ตอนเป็นเด็กๆเด็กๆ ก, ก็จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่ดึงให้ไปทำบุญก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำบาปมาทำบุญไดถ้ถ้าเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วทำตามผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เองก็ยังทำต่ออันนี้ก็จะเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนนิสัยที่เกิดจากเคยเคยทำบาปทำกรรมมาพอได้มาอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสังคมที่มีคนทำบุญก็ทำตามกันไป ก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยจากที่เคยทำบาปได้มาทำบุญได้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีนิสัยทำบุญแต่มาเกิดในสังคมหรือในครอบครัวที่ชอบทำบาปชอบเสพอบายามุขชอบทำบาปกันก็จะถูกครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมบังคับให้ทำตามก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการที่ ชอบทำบาปมาชอบทำบุญมาทาบาปได้ยกเว้นว่าเป็นนิสัยที่มีกำลังมากเช่นมีชอบมีมีนิสัยที่ชอบจะทำบุญมากถึงแม้จะไปอยู่ในสังคมหรืออยู่ในครอบครัวที่บังคับให้ทำบาปก็จะไม่ทำก็จะไม่ทำตามหรือว่าถ้ามีนิสัยชอบทำบาปมาก ถึงแม้จะไปอยู่ในครอบครัวหรือสังคมที่ที่ดึงให้ไปทําบะทาบุญก็อาจจะไม่ไปทําตามทําก็ทําแต่เฉพาะเวลาที่ถูกดึงไปเวลาที่เป็นตัวเป็นตนของ ต, ตนเองแล้วเวลาโตขึ้นก็จะไม่ไปทําตามที่ถูกสอนมาก็ได้เพราะนิสัยเดิมมีกําลังมากกว่านิสัยที่ชอบทําบา มีกาลังมากกว่าก็ยังจะกลับไปทำบาปต่อนี่แหละทำไมเราจึงมีคนที่มีความชอบไม่เหมือนกันเพราะว่าใจของพวกเราในอดีตเคยทำอะไรมาไม่เหมือนกันนั่นเองคนบางคนชอบทาบุญพอามาเกิดในชาตินี้ก็มาทำบุญต่อคนบางคนชอบทำบาป กลับมาเกิดก็จะมาทำบาปต่อจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพบกับครอบครัวที่มีความเชื่อในบุญในบาปก็จะสอนให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปถ้ามาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะสอนให้ทำบุญไม่ให้ทำบาป แล้วก็สอนว่าสอนถึงวิบากหรือสอนถึงผลของการทำบุญทําบาปว่าจะเป็นอย่างไรสอนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเรานอกจากร่างกายแล้วเรามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจที่เป็นนายของร่างกาย ร่างกายนี้เป็นบบาวเป็นคนรับใช้จิตใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้กระทำบุญและกระทำบาปร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำบุญทำบาปร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของการทำบุญทำบาปเท่านั้นอย่างนั้นร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายคือจิตใจนี้แหละผู้ที่ไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณต่อไปก็จะไปอยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีสุขหรือมีทุกข์ดวงวิญญาณที่มีทุกข์ก็เรียกว่าอบายหรือนรกดวงวิญญาณที่มีสุขก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่าง นี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบพวกเรานี้จะไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดตาในกันผู้ที่เปิดตาในได้จะเห็นดูเห็นตัวจิตตัวใจจะเห็นตัวพูดตัวที่ทำบุญตัวที่ทำบาปตัวที่รับผลบุญตัวที่รับผลบาป พวกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือพวกที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะไม่มีวันที่จะเห็นอดวงจิตดวงใจของตนได้ก็จะมีมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจะเห็นว่าตนเองนี้จิตใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกันเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปกับร่างกายด้วยนั้น แล้วก็จะไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปตายแล้วศูนย์นี่คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะไม่เห็นจิตใจนั่นเองเพราะไม่ได้เปิดตาในจึงเห็นแต่ส่วนที่ตานอกเห็นตานอกก็เห็นเพียงแต่ร่างกายก็เลยคิดว่า พอร่างกายตายไปแล้วผลบุญผลบาปก็หมดไปไปกับการตายของร่างกายคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่เชื่อเรื่องของการทำบุญเรื่องของการละเว้นจากการกระทำบาปเพราะจะคิดว่าทำบุญแล้วขาดทุนทำบุญแล้วต้องเสียเงินเสียทองไปแต่ทาบาปนี้กลับได้เงินได้ทองมา คนที่โกงคนที่คอรับชั่นจะได้เงินได้ทองมามากมายส่วนคนที่ทำบุญก็จะมีแต่เสียเงินเสียทองไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเสียเงินเสียทองอาจจะได้เพียงแต่ความรู้สึกในขณะที่ได้ทำบุญทำบุญแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาก็เลยไม่มีความกลัวในการกระทำบาป ไม่มีศรัทธาในการที่จะทําบุญก็จะทำตามความอยากของตนอยากได้อะไรก็ทำส่วนใหญ่ก็ต้องทําบาปถึงจะได้แบบง่ายๆได้แบบเร็วๆได้แบบมากๆเพราะว่าถ้าทําไม่ทําบาปนี้กว่าจะได้อะไรสักอย่างนี้มันต้องใช้เวลามากต้องทํางานทําการเก็บเงินเก็บทอง กว่าจะได้ก็ต้องเสียเวลามากแต่ถ้าสามารถทำบาปได้โกงได้เดี๋ยวเดียวก็ได้สิ่งที่อยากได้แล้วถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่มีการไปรับผลบุญผลบาปต่อไปก็จะไม่กลัวการกระทำบาป ถ้าจะรับผลบาปก็รับเฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคือถ้าถูกจับได้ก็อาจจะถูกจับไปลงโทษแต่สมัยนี้ก็อาจจะหนีจากการลงโทษได้หนีไปอยู่ต่างประเทศได้ถ้ามีเงินทองมากได้โกงเงินกงทองมากก็หนีไปอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่เช่นนั้นก็เอาเงินทองนี้ซื้ออิสรภาพได้ หรือความสุขอยู่ในคุกตารางแบบมีความสุขได้ถ้ามีเงินทองก็เลยไม่มีการกลัวเรื่องของการทําบาปกันแต่เขาไม่รู้ว่าเวลาตายไปแล้วดวงจิตดวงใจที่ไม่ตายเนี่ยจะอยู่แบบทรมานใจอยู่แบบหิวโหยอยู่แบบหวาดกลัวเพราะนี่คือเป็นผลที่จะเกิด หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจนี้จะอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นสุขมีแต่เป็นทุกข์ถ้าอยากจะดูหนังตัวอย่างอยากจะรู้ตัวอย่างของผลบุญผลบาปนี้เราสามารถดูได้ตอนที่เวลาเรานอ น, อนหลับเวลาที่เราน อ, นอนหลับนี้เป็นเหมือนเราตายไปชั่วคราว ตอนที่นอนหลับในร่างกายนอนเฉยๆเหมือนคนตายดวงจิตดวงใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันถ้าเป็นบุญพาฝันก็จะฝันดีถ้าเป็นบาป พ, พาฝันก็จะฝันร้ายถ้าเรานอนหลับฝันร้ายนี่แสดงว่าเรากำลังทำบาปมากกว่าทำบุญกันเราจึงฝันร้ายกันบ่อยถ้าเราฝันดีบ่อย ก็สแสดงว่าบุญนี้มีกําลังมากกว่าบาปอันนี้เป็นหนังตัวอย่างที่เราสามารถดูได้ในช่วงที่เรานอนหลับเพราะว่าเรานอนหลับไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาฝันที่เราฝันก็ไม่ยาวนานแต่เวลาที่เราตายนี้เราจะฝันยาวนาน เพราะว่ากว่าเจ้าจะกลับมาเกิดกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่นี้อาจจะเป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของบาปที่เราทำหรือบุญที่เราทำว่าทำไว้มากทำไว้น้อยเหมือนภาพยนตร์ที่เราฉายที่เราถ่ายถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ยาวมันก็จะใช้เวลาฉายภาพยนตร์ยาวถ้าเป็นภาพยนตร์สั้นมันก็จะ ใช้เวลาฉายภาพยนตร์นั้นสั้นถ้าเราทำบุญมากเวลาเราตายไปเราก็อย่าอยู่บนสวรรค์นานถ้าเราทำบาปมากเวลาตายไปเราก็จะอยู่ในอบายนานถ้าเราไม่ทำบุญไม่ได้ทำบาปหรือทำน้อยทำบุญกับทำบาปเท่าๆกัน ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วบางคนนี่ตายไปกลับมายังจําได้ว่าชาติก่อนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนเด็กบางคนนี่เขาเลิกชาติได้เพราะเขาเขาตายแล้วเขากลับมาเกิดเร็วเพราะช่วงที่ก่อนเขาตายเขาอาจจะไม่ได้ทำบาปมากไม่ได้ทำบุญมากบุญก็ไม่มีกำลังดึงให้เขาไปสวรรค์บาปก็ไม่มีกำลังดึงให้เขาไปอบาย เขาก็เลยกลับมาเกิดเร็วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วและอาจจะกลับมาเกิดใกล้กับที่เขาเคยอยู่ก็ได้จึงทำให้เขาเวลาเดินผ่านบ้านเก่าเขาเขาจะจาได้ว่าที่นี่เขาเคยมาก่อนอันนี้คือเรื่องของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปเกิดต่อไป และก่อนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณชนิดต่างๆก่อนดวงวิญญาณที่ดีเราก็เรียกว่าเทพเรียกว่าพรหมเรียกว่าพระอริยบุคคลดวงวิญญาณที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าเปรตอสูรลรกาย น, ากนักนเง่งเป็นดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นไปตามอานาจของบุญของบาป ที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้อย่างนั้นถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าบุญนี่เป็นของจริงบาปนี่เป็นของจริงจิตใจนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับร่างกายจิตใจนี้จะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ เรียนรู้เรื่องราวของจิตใจเรียนรู้เรื่องราวของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจด้วยอำนาจของบุญของบาปเราก็จะอยากจะทำบุญขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะทำบาปกันเพราะเราเห็นภาพแล้วว่าการทำบุญนี้มีประโยชน์อย่างไรการทำบาปนั้นมีโทษอย่างไรต่อจิตใจของพวกเรานั่นเอง นี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือว่าถ้าเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจพอได้ฟังซ้ำอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาะจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องของการเกิดแล้วตายแล้วสูญหรือไม่ จะไม่สงสัยเลยว่าตายแล้ว ต, วต้องไปเกิดต่อเรื่องตายแล้วสูนี้จะไม่ไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วเรื่องของบุญที่จะพาให้จิตใจไปสวรรค์ก็จะเชื่ออย่างเต็มที่จะหายสงสัยหายสงสัยว่าบุตรทาบุญแล้วไปสวรรค์อย่างไรทําบาปแล้วไปนรกไปอบายอย่างไรอันนี้เป็นของจริงเป็นของที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ และสามารถเชื่อได้ด้วยการฟังอันนี้ฟังนี่มันก็ทำให้เราเชื่อไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เห็นชัดเหมือนกับการที่เราปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเราจะเปิดตาในขึ้นมาตาในนี่แหละคือตาใจที่จะเป็นผู้มองเห็นใจของตนเองตอนนี้ตาในถูกปิดอยู่ พอถูกตานอกมากรบเอาไว้ตานอกเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปกรบตาในาไปกรบใจทำให้ใจไม่เห็นทำให้ใจไม่เห็นใจของตนเองเวลาที่เรานั่งสมาธิเราจะปิดตานอกเราจะปิดรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามากรบตาในามาบังตาในาพอใจสงบรูปเสียงกลิ่นรสที่มา กรอบนี้จะหายไปหมดพอไม่มีอะไรมาปิดตาในตาในก็จะเปิดขึ้นมาจะเห็นจิตใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันจะรู้เลยว่าจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้เป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปเป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไป แล้วถ้าเห็นว่าถ้าการไปเกิดหมายนี้มันเป็นทุกข์ไม่อยากจะเกิดก็สามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้ว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดนี้จะต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าเพียงแต่ทำบุญไม่ทำบาปนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุเพราะว่าเหตุที่พาให้มาเกิดนั้นยังไม่ได้ถูกการชาระ ยังไม่ได้รับการกำจัดนั่นเองแต่จะไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่พาให้ดวงจิตดวงใจของพวกเรานี้กลับมามีกลับมาเกิดมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆได้อย่างไรก็มีแต่พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ทรงคนพบสาเหตุที่ทำให้จิตใจของพวกเรามาเกาะร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอเราเสียร่างกายอันนี้ไป เราก็ไปเป็นดวงวิญญาณไปรับผลบุญผลบาปพอผลบุญผลบาปหมดแล้วเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกาะใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างที่เรากำลังใช้ร่างกายทาอะไรกันอยู่ในขณะนี้แต่ร่างกายนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันจะต้องแก่เดี๋ยวมันจะต้องเจ็บมันจะต้องตาย เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันก็ทำให้จิตใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาไม่มีความสุขเวลาที่ร่างกายแก่ไม่มีจึงไม่มีใครอยากแก่กันไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากตายกันแต่ก็ไม่มีใครยับยัง้งการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้ จะยับยั้งการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าหยุดใจไม่ให้ไปเกาะหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายตามมาแล้วการที่จะหยุดใจไม่ให้ไปหาร่างกายไปเกาะร่างกายอันใหม่นี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไร ต้องรอให้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้ใจมาเกาะร่างกายอยู่เรื่อยๆนี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละเป็นผู้ส่งค้นพบว่าสาเหตุที่พาให้ใจเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากสามประการนี้เองความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่เรียกว่ากามกตัณหาความอยากมีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ปราถนาเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นความอยากทั้งสามชนิดนี้แหละที่เป็นตัวดึงให้ใจมา เกิดอยู่เรื่อยๆมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆมาเกาะติดกับร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะให้ใจมาเกาะติดกับร่างกายอยู่เรื่อยๆก็ต้องทําลายความอยากทั้งสามประการนี้และสิ่งที่จะสามารถทําลายความอยากทั้งสามประการนี้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองต้องต้องรักษาศีล ศีลห้าศีลแปดต้องไล่ขึ้นไปอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็ขยับไปสู่ศีลแปดหรือศีลสิบศีลสองร้อยบเจ็ดอันนี้ขึ้นอยู่กับเพศที่เราเป็นถ้าเราเป็นคาลราว่าเราอยากที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความอยากเราต้องถืออย่างน้อยศีลแป ศีลห้านี้ไม่พอกำลังไม่พอที่จะไปหยุดความอยากต่างๆที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเครื่องมือมาทำลายความอยากต่างๆคือสมาธิและปัญญาการจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากศีลก่อนคือศีลแปหรือศีลสิบหรือศีลสองอยีบเจด ต้องเป็นศีลของนักบวชถ้าเป็นศีลของนักบุญคือศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังพอเพราะว่าศีลห้าไม่ได้มาห้ามความอยากต่างๆเหมือนกับศีลแปดศีลแปดนี้จะมาห้ามความอยากต่างๆความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายคือกามะตัะหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั้นเองนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าการกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ น, นี้เกิดจากตัณหาสามอย่างด้วยกันคือกามะตัณหาความอยากเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถพความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น การที่จะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ต้องกำจัดด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาต้องมีศีลสมาัาเพื่อจะได้สนับสนุนให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วจะได้ใช้สมาธิสนับสนุนในการใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบที่เรียกว่าตัดสรู้ พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้สำเร็จในการกาจัดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างราบคาบเป็นบุคคลแรกเป็นผู้ที่รู้วิธีและได้กำจัดตัวที่มาทำให้พระพุทธเจ้าจิตใจของพระพุทธเจ้าต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจนทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป จิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่เราเรียกว่านิพพานนิพพานนี่ไม่ได้เป็นสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นจิตทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสวรรค์จะเป็นอบายเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้านี้เป็นจิตทั้งนั้นจิตที่มีสภาพต่างกันไปตามกำลังของบุญของบาปที่ได้ทาไว ถ้าเป็นบาปก็จะเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกเป็นเดราฉานถ้าเป็นบุญระดับต่างๆก็ได้เป็นจิตก็จะเป็นจิตเทวดาเป็นพรมเป็นเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระนิพพานอันนี้เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของสถานที่ อย่างเช่นอย่างเชียงใหม่หรือกรุงเทพเนี่ยอันนี้เป็นสถานที่เวลาที่เราพูดว่าเราตายไปแล้วไปสวรรค์นี้เราไม่ได้หมายถึงเป็นสถานที่เราหมายถึงสภาพของจิตใจว่าเปลี่ยนจากสภาพของมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ นี่แหละคือเรื่องของจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้กระทาผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาและกายเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาคือเป็นเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะ กรรมเป็นเครื่องจำแนกให้จิตนี้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆกรรมก็คือบุญและบาปนี้บุญและบาปจะทำให้จิตใจเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าบาปก็เป็นชนิดไม่ดีเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรล่กายเป็นนรกถ้าบุญก็จะเป็นสัตว์ชนิดที่ดีเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านี้เราก็เรียกว่านิพพานเพราะเป็นจิตที่ไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะทำให้จิตใจนี้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการ รักษาศีลเกิดจากการฝึกสมาธิและการฝึกปัญญานี้เองเพราะว่าจะต้องมีทั้งสามนี้เป็นเครื่องมือในการมาทำลายความอยากต่างๆศีลอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำลายความอยากได้อย่างถาวรเพียงแต่ระ ง, งับไว้เท่านั้นเช่นเวลามาถือศีล8ก็ระ ง, งับห้ามไม่ให้ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกมืไกาย บังคับหรือหยุดความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายไว้ชั่วคราวแต่ก็หยุดได้ไม่นานพอหมดกำลังก็ลาสิขาไปลาศีลไปพอกลับไปถือศีลห้าก็ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เวลาถือศีนแปก็เสพไม่ได้เช่นร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้ แต่พอเลิกถือศีลแปดกลับไปถือศีลห้าความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็กลับคืนมามก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้พอศีลห้าไม่ได้ห้ามอยากจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารเวลาไหนก็รับประทานได้ศีลห้าไม่ห้ามให้กินได้ทุกเวลาแต่ถ้าอยากแต่ถ้าถือศีลแป น, นี้ห้ามไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นดต สัมผัสของอาหารให้กินแบบกินยากินเพื่อเพื่อเลี้ยงร่างกายให้ไม่ให้กินมากเกินไปให้กินได้เพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันก็ห้ามไม่ให้กินการห้ามนี้ก็ห้ามความอยากนี่เองไม่ได้ห้ามอะไรนีคือศิลแปดสิแปดนี้จะมาห้ามการกระทาตามความอยากต่างๆแต่เพียงแต่ห้ามไว้เฉยๆไม่สามารถที่จะหยุดหรือทำลายมันได้ บางทีขนาดถือศีลแปดก็ยังอดที่อยากจะกินอาหารเย็นไม่ได้พอถึงตอนเย็นนี้หิวขึ้นมาทันทีถ้าไปคิดถึงอาหารหรือเห็นคนเขากินอาหารขึ้นมาหน่อยความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้ถ้าต้องการหยุดความอยากนี้ต้องไปนั่งสมาธิถ้าไปนั่งสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกหยุดความคิดถึงอาหารได้ ความอยากรับประทานอาหารมันก็จะหายไปชั่วคราวสงบชั่วคราวแต่ศีลนี้ห้ามไม่ได้ศีลนี้ไม่ได้ห้ามความคิดห้ามการกระทาทางกายทางวาจาฉั้นเวลาคิดถึงอาหารมันก็จะหิวขึ้นมามันก็จะอยากขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้มันไม่หิวไม่ให้มันอยากก็ต้องมาควบคุมความคิดด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้เป็นการหยุดความคิดหยุดความอยาก แต่ก็หยุดได้ชั่วคราวหยุดได้เวลาที่จิตสงบเวลาที่จิตเข้าไปในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีกำลังควบคุมความคิดเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงเรื่องอาหารต่อไปพอคิดแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะทําให้ความอยากรับประทานอาหารหรือความอยากต่างๆหมดไปนี้เราต้องเห็นส่วนที่ไม่ดีของสิ่งที่เราอยากได้ เช่นเรื่องของอาหารถ้าเราไม่ได้อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมามันหิวเพราะมันไปคิดถึงอาหารเพราะว่าเราเวลาคิดถึงอาหารเราจะคิดถึงอาหารในส่วนไหนเราก็จะคิดถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในจานใช่ไหมตอนที่ออกมาจากกระทะออกมาจากหม้อในเทใส่จานเห็นแล้วก็น้ําลายไหลถ้าอยากจะให้ไหม่น้ําลายไหลให้เปลี่ยนการมองอาหาร อย่าไปมองตอนที่มันอยู่ในจานให้มองตอนที่มันอยู่ในท้องตอนที่มันอยู่ในปากเวลาเข้าไปในปากเคี้ยวแล้วก็ผสมกับน้ำลายลองบ้วนออกมาดูลองคลายออกมาดูแล้วดูซิว่าอยากจะกินไหมเออตอนที่มันอาเจียนออกมาอ่านี่แหละหรือตอนที่มันถ่ายออกมาอ่าดูตอนที่มันอยู่ในซ่วมก็ได้นี่ก็เป็นอาหารนี่เรียกว่าปัญญาเราต้องดูส่วนที่มันไม่น่าดู ของของสิ่งที่เราอยากเช่นอาหารเราต้องดูตอนที่มันไม่น่าดูไปดูตอนที่มันน่าดูมันก็อยากได้แต่พอไปเห็นตอนที่มันไม่น่าดูก็ไม่อยากได้มีใครอยากจะได้อาหารตอนที่มันอยู่ในซุวมไหมไม่มีใครอยากได้ใช่มอันนี้แหละเรียกว่าปัญญาปัญญาที่จะมาหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องดูตอนที่มันไม่มันไม่ดีตอนที่มันดีมัญญะทําให้เราอยากต้องดูตอนที่มันไม่ดีเช่นถ้าเราอยากได้แฟนเราจะทำไงถึงจะหยุดความอยากได้แฟนก็ดูตอนที่แฟนตายไปดูถ้าแฟนตายไปนี่ไม่หายใจนี่จะจะเก็บไว้ในบ้านอีกหคืนนี้จะนอนกับแฟนไหมถ้าถ้าถ้าแฟนตายในตอนเย็นนี่จะเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าจะขอย้ายไปที่วัด ต้องคิดตอนที่แฟนตายถ้าคิดถึงแฟนถ้าอยากจะนอนกับแฟนต้องนึกถึงตอนที่แฟนตายตอนที่ร่างกายของแฟนกลายเป็นซากศพตายสามวันขึ้นอืดเขียวคล้ำหรือว่ามีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาอย่างเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากนอนกับแฟนจะไม่อยากจะมีแฟนนี่คือปัญญา มองความจริงมองด้านที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถ้าใช้สมาธิมันก็เพียงแต่จะกดความอยากไว้พอเวลาเราทำสมาธิเราเพียงแต่หยุดความคิดเี่นเราท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะคิดถึงอาหารไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้พอไม่ได้คิดความอยากที่จะกินอาหารความอยากที่จะนอนกับแฟนมันก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมาพอเราไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงแฟนคิดถึงอาหารจนได้แล้วก็อยากจะได้อยากจะนอนกับแฟนอยากจะกินอาหารถ้าอยากจะไม่ให้ไปกินอาหารไม่ให้อยากนอนกับแฟนเวลาคิดถึงแฟนก็ต้องคิดถึงตอนที่แฟนไม่มีลมหายใจตอนที่แฟนกลายเป็นซากศพตอนที่แฟนนอนขึ้นอืดเนี่ยมีสีเขียวขม ดำช้าไปทั่วตัวมีน้ำเหลืองไหลออกมาเยิ้มไปหมดถ้าเห็นร่างกายของแฟนแบบนั้นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่คิดอยากจะนอนกับแฟนหรือถ้าหิวอาหารก็คิดตอนที่มันออกมาอยู่ในซ้วมดูสิว่าอาหารนี่น่ากินไหมมันก็จะไม่อยากกินขึ้นมานี่คือวิธีของปัญญาที่จะสามารถกำจัดทำลายความอยากต่างๆ เพราะความอยากของเราเกิดจากความคิดผิดนั่นเองไปคิดตอนที่มันน่าดูน่าชมน่ารักน่ายินดีมันก็อยากได้ขึ้นมาพอเราไปคิดตอนที่มันไม่น่ารักไม่น่ายินดีเราก็จะไม่อยากได้เนเราต้องคิดแบบมุมกลับคิดแบบสอกกลับนยอย่าไปคิดตามอ่าตามกิเลสกิเลสมันจะหลอกให้เราคิดว่าน่ากินน่าดูน่าชมน่ารักน่าใคร เราต้องคิดตามทำทำบอกว่ามันไม่น่าดูน่ากินทำยังไงถึงไม่น่าดูน่ากินก็ดูตอนที่มันไม่น่าดูน่ากินเท่านั้นเองแล้วต่อไปความอยากอาหารจะหายไปหมดเลยจะกินก็ต่อเมื่อถึงเวลาเท่านั้นจะไม่ได้กินด้วยความอยากกินแล้วก็ความอยากจะมีแฟนความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนนี่มันก็จะหายไปหมดพอทุกครั้งถ้าเกิดความอยากขึ้นมามันก็คิดถึงศพของแฟนแทน แต่ที่จะคิดถึงร่างกายของแฟนก็คิดถึงศพของแฟนคิดถึงตอนที่ร่างศพกายขึ้นอืดขึ้นมาตอนที่มันมีเขียวสีเขียวช้ำ ม, มีเขียวสีดำําปนกันสลับกันมีน้าเหลืองไหลออกมาเยิ้มตามร่างกายคิดอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะเลิกเลยความอยากกามตัณหาความอยากจะเสพกาม อยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี้มันจะหายไปหมดนี่แหละคืออำนาจของปัญญาที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรสมาธินี้เพียงแต่หยุดเพียงแต่กดเอาไว้ศีลเพียงแต่ห้ามเอาไว้แต่ก็ต้องใช้ศีลก่อนเพราะว่าศีลนี้เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาง่ายกว่าสมาธิต้องใช้ศีลช่วยก่อนห้ามไว้ก่อน พอห้ามแล้วเราจะได้มีกําลังมาสร้างสมาธิพอเราสร้างสมาธิก็จะหยุดความอยากได้ก็จะทําให้เรามีกําลังที่จะเอาปัญญามาสอนใจได้ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิรับรองได้พอคิดถึงอะไรปั๊บก็หยุดมันไม่ได้เลยห้ามมันไม่ได้อยากจะได้อะไรมันก็จะไปหาทันทีแต่ถ้าเรามีศีลพอเราอยากจะ กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็มีอย่างน้อยก็มีศีลมาเบรกไว้ก่อนแล้วถ้ามีสมาธิเวลาคิดถึงอาหารเราก็หยุดมันได้แล้วถ้ามีปัญญาเราก็คิดไปในมุมที่ไม่น่ากินคิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินมันก็จะไม่อยากกินไปตลอดนี่แหละวิธีที่เราสามารถที่จะมาหยุดความอยากต่างๆ ที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆได้ต้องอาศัยวิธีของศีลของสมาธิและของปัญญาเท่านั้นไม่ีไม่มีวิธีใดในโลกนี้ที่จะยับยั้งการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากวิธีของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพิสูจน์แล้วด้วยตนเองพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาด้วยตนเอง สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดกหรือผลักดันให้จิตมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆได้จนจิตของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปจิตของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิพพานไปตลอดการเป็นนิพพานไม่ได้หมายความว่าหายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตหายไปไหนจิตก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าไม่มาเกาะร่างกายเหมือนกับจิตของปุถุชนอย่างพวกเราจิตของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์แต่ส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็มายึดมาติดกับร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <S <S <อ>จิตของพระพุทธเจ้าจิตของป้าอันนี้ไม่เป็นอย่างนี้จิตของท่านสงบไม่มีความอยากที่จะมาเกาะติดกับร่างกายของใครทั้งนั้นจึงไม่มีความทุกข์ ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีการทำบุญทำบาปอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีการกระทำมันก็ไม่มีการกระทำบุญหรือไม่มีการกระทำบาปก็ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปอยู่ในนิพพานนี้สบายที่สุดมีความสุขเต็มร้อยตลอดเวลาเพราะว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ ภายในใจได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญานั่นเองใจก็เลยเป็นบร ม, มสุขตลอดเวลาเรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังสุขของพระนิพพานนี้เป็นบร ม, มสุขเป็นสุดอันสูงสุดเป็นสุขสุดยอดของความสุขทั้งปวงนี่แหละคือเรื่องราวต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังกันถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรม เราจะได้เรียนรู้เรื่องของดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และเราจะรู้วิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการาไปถึงพระนิพพานว่าไปอย่างไร และขณะที่เราฟังนี้จิตเราก็จะมีความลุ่มเย็นเป็นสุขมีความผ่องใสนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปปับปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะหระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจางวุฒาปจายโน จตารธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลังตอนนี้เสียงดังมากไม่ได้ยินเสียงพูดต้องนั่งเฉยๆสักพักก่อนนะนั่งหลับตาฟังเสียงธรรมชาติไปก่อนพุทโธพุทโธ นั่งสมาธิทมใจให้สงบเดี๋ยวพอเสียงเบาลงแล้วเราค่อยมาฟังเสียงธรรมกันต่ อ, อตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีเหลือประมาณเจนาทีเอาสักสองสามคำถามตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o ส343อสสามคนครับ YouTube ร้อยแปดสิบคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้าคนครับผู้รับฟังบนเขาสองร้อยหกคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คนครับอาจารย์อ่วันนี้ขึ้นเยอะเกินหกร้อยใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นนะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายัางไม่มีใครถามก็เอาคำถามทางบ้านก่อนคำถามจากคุณโอปอ์ค่ะกราบมัสกาิ์รอาจารย์ค่ะ ลูกนั่งสมาธิแล้วใจต้องการความสงบความว่างแบบนี้แสดงว่าลูกยังมีภาวะตัณหาใช่ไหมคะแล้วความว่างที่เกิดขึ้นลูกจะแยกได้อย่างไรว่าเป็นความว่างจากการคิดไปเองหรือเป็นความว่างที่เกิดขึ้นจริงค่ะอ๋อความว่างจริงมันจะไม่เหมือนกับความว่างที่เราแยกการแยกนี่มันยังไม่ได้เป็นความว่าง อย่างไม่ต้องไปกังวลว่ามันเป็นแบบไหนถ้ามันถึงแล้วมันจะรู้เองอย่นั่งไปให้หยุดความคิดให้ได้หยุดความอยากให้ได้แล้วเดี๋ยวความว่างความสงบมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเ่งคำถามจากคุณซูซูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์บอกว่าจิตหรือวิญญาณคือผู้ไปรับสุขทุกข์ หลังจากร่างกายตายแสดงว่าจิตและวิ ญ, ญญาณคือตัวเดียวกันใช่หรือไม่เจ้าคะอ่าใช่เหมือนคนเนี่ยผู้หญิงเวลาเป็นโสดก็เรียกว่านางสาวเวลาแต่างงานก็เรียกว่านางผู้ชายเวลาเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กชายพอโตขึ้นก็เรียกว่านายเป็นเพียงแต่เปลี่ยนชื่อตามสถานภาพเหมือนตอนที่มีร่างกายก็เหมือนตอนแต่งงานก็เรียกว่าจิตใจ พ อ, อย่ากันก็เรียกว่าดวงวิญญาณเป็นโสตวิ ญ, ญญาณนี่เป็นโสดไม่มีร่างกายคำถามจากคุณธีรชาติค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนี้มีการเกิดของคนน้อยลงแล้วผู้ที่รอมาเกิดจะชะงักไหมครับแต่กระบวนการของผู้มาเกิดหยุดไม่ได้ แล้วระบบการเวียนว่ายทําอย่างไรครับอ๋อก็พวกที่มาเกิดน้อยก็เพราะว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันมากหรือยังติดอยู่ในอบายกันอยู่หรือยังอยู่ที่สวรรค์อยู่ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลน ะ, ะกฎแห่งกรรมเขาจัดการเองอัตโนมัติทุกอย่างอขอให้เราทําบุญไว้ก็แล้วกันแล้วหยุดตัณหาความอยากจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป คำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณน้าประพัเจ้าค่ะกราบนมสัส ก, การท่านพระอาจารย์คุณแม่ของเพื่อนไม่สบายหนักมาหลายปีแล้วตอนนี้ต้องเจาะคออยู่ไอซีด้วยความที่เพื่อนอยากให้คุณแม่ของเขามีบุญไปก่อนตายจากโรคนี้ <c oughs> ก็ประโคมสร้างทานโกนเงินทําบุญไปทุกที่ทุกจังหวัดด้วยเงินทองของตัวเอง ที่หามาได้จากการทํางานอย่างหนักเขาพูดอยู่เสมอว่าอยากให้แม่ไปอยู่ที่สูงให้ได้อย่างนี้แล้วดิฉันอยากถามพระอาจารย์ว่าคุณแม่ของเพื่อนจะได้บุญเหล่านี้และจะมีบุญไปอยู่ที่สูงเหมือนลูกที่ตั้งใจไว้ได้ไหมเจ้าคะอ๋อไม่ได้หรอกบุญนี้ของใครต้องทํากันเองต้องเป็นเงินของตนเองแล้วก็ต้องมีเป็นความปรารถนาของตนเอง ถึงจะได้บุญทำได้ก็เพียงแต่เลีเ้ยงดูร่างกายเข า, เาให้อยู่ไปทรมานไปเรื่อยๆอถ้าใช้เงินทองเลี้ยงดูร่างกายถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเจ็บไปนานถ้าปล่อยให้ร่างกายตายมันก็จะได้ไม่ต้องทรมานนานให้อยู่ไปตามธรรมาชาติของเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป เวลาเขาไปแล้วเราก็สามารถทำบุญส่งไปให้เขาได้แต่บุญส่งไปนี่น้อยกว่าบุญที่ทำเองเห้งั้นขอให้ทํากันก่อนดีกว่าอย่าไปรอให้คนอื่นเขาส่งไปให้กองเงินส่งไปมันเป็นปริมาณที่น้อยมากเป็นเหมือนเงินที่ให้ขอทานาแต่เงินที่เราบุญที่เราทําในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เป็นเหมือน เ, อเงินที่เราเ สะสมไว้ในธนาคารทำเท่าไหร่ก็เป็นของเราทั้งหมดงั้นถ้ายังมีโอกาสทำบุญได้รีบทำเสียเถิดอย่าไปรอตอนที่ทำไม่ได้แล้วคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้คำถามจากคุณอุบลรักค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการใส่บาทพระอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ โดยการนำอาหารที่พ่อแม่ชอบใส่บาตรดวงวิญญาณของท่านจะได้รับบุญไหมเจ้าคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางในการอุทิศบุญผลบุญด้วยเจ้าคะ่ะเวลาคนตายไปนี่ก็แล้วแต่สถานภาพของเขาว่าเขาอยู่ในสถานภาพไหนถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็มีบุญมากไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของเราถ้าเขาไปเป็น ไปอะไรไปนรกนี้เขาก็ออกมารับไม่ได้มีพวกที่รอรับบุญก็คือพวกเปรตพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปตรงนี้ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะรับส่วนบุญได้เราไม่รู้หรอกว่าคนที่ตายไปแล้วนี่จะไปอยู่ในสถานะใดถ้าเราไม่มีดวงตาในเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าดวงวิญญาณ น, นี้ตายไปแล้วเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่รู้เราก็ทำเผื่อไว้ก็แล้วกันทำไปส่งไปให้เขาถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่รอรับก็เราก็ให้คนอื่นไปก็ได้ให้ดวงวิญญาณอื่นไปก็ได้คำถามสุดท้ายนะหมดเวลาแล้วคำถามจากคุณกิติมาเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามความหมายของคำว่าสั่งข้โหกับอสังข้โหค่ะ ขอตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะอันนี้ต้องไปถาม Google นะเพรถ้าเป็นภาษาบาลีนี่เราไม่ได้เรียนมาอันนี้ก็ลองใส่เข้าไปอสังกะโหสังกะโหแปลว่าอะไรเดี๋ยวก็มีคำตอบขึ้นมาเยอะแยะเอาแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ